ฉันใช่ไปกับการครุ้นคิดวางแผนเรื่องสถานที่เพราะนี่เป็นการตัดสินใจกระทานหันและฉันก็ไม่ใช่คนชำนาญเรื่องพระดีและสถานที่ดังคิดไปคิดมากิเลสที่คอยจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วก็บอกให้ไปพักรีสอร์ทหรือโรองแรมดีกว่ามันก็เป็นห้องหับเหมือนๆกันกับห้องที่เขากำหนดไว้ให้เป็นสถานที่ภาวนาของคาราวาสนั่นแหละ